บทสรุป6กรท่านทั้งหลายทำคือนิสกิยปาจิตี30มสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในนิสกิยปาจิตี30สิบสกขาบทเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือ สั่งเียบกันจบ